โยงก็ว่าคือเขาเพยายามจะถัดเก่ววาอ่ะแต่โยมว่าเขาติดก็แบบว่าติดเพราะว่าการยุ่งกับคนนะมันไม่มีทางที่จะ ไ, ไม่ติดไม่บอกเลยแค่นี้คือพี่เขาพยายามอยู่แล้วว่าเออฟังอาจารย์เอามาเป็นแบบมันก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติคือคือเขออบบายังฟังน้อยไปเาต้องฟังเขาเพราะว่าเพราะว่าเอได้เคยชดอาจารย์อยู่ดูว่าโยงว่าอยู่ที่ตรงไ้น เขาโล่งไม่มีใครที่จะมายุ่งเขาได้ฟังคําแบบจริงจังทําไ้ก็ไม่จักตื่นรู้จากคิดก็องที่อาจารย์สอให้ตื่นให้คิดใ้โลนสให้สมถาาแต่พอกลับมากับความจริงที่ว่ามันเป็นชีวิตประจาวันชีิจิที่ต้องมายุ่งกับคนไม่ใช่แต่พระนะคะโยมเนี่ยโยมด้วยอะโยมผคนที่ยุ่งกับพี่วรวรวาได้หลายคนนิงเนี่ยเขาบอกวันเมื่อวานต้องไปโยมคนนี้โยมไม่เอ่ยชื่ออต่เพราะว่าเหรอะไรเพราะเคต้องมี้โยมเชื่อว่า แต่แก้แกก็ทำได้ดีแกโตมหาแกโตมหานี่มันเล่าเรืองอัม่าสาโง่ก็แกบอกว่าก็ก็ทำให้ความติดขัดที่เคยผ่านมาโลกขึ้นเดี๋ยววันที่1 8บ9ปสบเก้าจะไปฟังอีกต่อไปก็ผมจะชัดเจนที่ฟังมาที่ที่ที่ว่าโตหาอาจารย์ยงไปตนเพราะว่าเขาจะไปีหนังสือแล้วยงบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์โอเคเลยค่ะเพราะว่ามีมียงจาก่ประเทศมหาอาจารย์ตังทํานี้ค่ะ เ่อเขาแบบจะติดต่อไม่ได้ตอนนีโทรได้เาบอกเขาแบบอีลาจต้องวางสายอยู่ไม่โรตอลรู้สึกเขาก็ใส่ใจเช่าเท่าที่เห็นะจริงๆที่วอรนน่ไปไ้ไกนะคืออัจริยะใส่มีอัจฉริยะใส่มีอุปนิสัยคอนทีกข้างบนนี้ใสานอนนอนน่้านี้ใสเาตอนเช้ามามาคุยกันนะ ผมทำอย่างนี้เขาคว้ามานะปากกายกรรมไม่จีรับผมนะแล้วอะไรตอนกล่าวผู้เคุณที่ว่าเวลาอาหงรทั้งๆที่ปากพูดนะฮะบอกว่าโอ้โหอธิายชีวิตด้วยเสียงล้าวพระพุทธเจ้าพระองค์ไหนก็ชิงเธอด้วยเสียงกล้าใจใจใจไม่ไม่อาค่ะปากนยคะไปแต่ปากคนนี้จะไม่เอาแล้วขอคัได้ดีทนานั้นกากายกรรมไว่จีกรรมโนกรักก็สมทําให้ได้ เล้วแล้วจะทำให้ได้ปีติต่างใช่ค่ะจะมามีโยมคนิมิตรมิตรเราได้เธอคนไม่เคยรู้จักแต่มีคนส่งเพจให้ไปฟังเมื่อเธออยู่โอเคแล้วก็รู้สึกพวกการไปให้เบอร์ก็จะมาก็คือว่าโทรโทรมาคือติดขัดฟังพระกัญญาว่ติดขัดเรืานเยอะบิดาบุญอย่างนันเพราอธิบายก่อน อธิบายคืออะไรเป็นความงัยเธอร้องใบอกว่าหมุนหมุนกล้ามปอดเธอร้องร้องแลพอเริ่มเริ่มเข้าใจขึ้มาว่าสองก็คสภาพผมนี่มันเกิดขึ้นมาเราจะไข้ปวดไข้ปวดาข้ติดต่อก็มีโรคก็เกิดปีกนี่อย่างว่าก็เป็นชาวไปเลย คือคือปิดปสที่ปัสสตที่เขาเปิดกืจะมาจะมาพยายากเชื่อมโยงให้เขาให้ถึงมองอหนท่านมามีหน้าที่ว่า เ, า เ, าเวลาจะเชื่อมบุคคลเหล่านี้ให้ถึงจุจงได้หมดพาระลาเลยดันั้นคามามือเพื่อมาที่บุคคลจะตัดธนาจะเข้าข้อพิจารณาแล้วเขาพายามหน้าที่ว่าเชื่อมบุคคลนั้นให้เข้าจุดจ้าไม่ไ เ, เชื่อมบุคคลนั้นมาหราไม่ใช่แต่ก็เกรผู้มาฮะ เป็นก็ต้องติดตรงนี้ก่อนนะเราเราเราต้องบอกเขาเขาต้องบอกเขาเขาจว่าเราไม่ใช่สัตว์ต้องมีสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นเกาะในช่วงเขาเขาแบบตรงนั้นตรงนั้นไม่แล้วแต่บุคคลเดียวเราต้องทํำหน้าที่บอกให้ดีที่สุดเราจะเป็นห้ามคนเพื่อให้เขาคิดอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้แต่เราเราพยายามบอกวัตถุประสงค์ในการกล่าวประจําได้แต่เขาต้องตั้งตัวอยู่ในใช่ไหมคะ มันเป็นหลักที่เราจะต้องฝ่ากฟันออกไปเหมือนกันเพราะเราเองก็จะต้องเดินเราไม่ใช่จะมาต้องมุ่งอยู่ตรงนี้แต่ชีวิตเรามันต้องเดินมันต้องเดินไปในสังสารวัฏใช่ไหมแล้วเราจะต้องบรรลุอ่เป้าหมายที่เราตั้งไว้เ ร, รื่อยๆใช่ไหมต้องประโยชน์ตนเป็นทุกขั้นไม่ใช่ไปตั้งใครจะเดินยังไงมันก็เดินในบัดแต่เรามีหน้าที่บอกก็บอกใช่ไหม จิตของพระผู้ได้เจ้าเนี่ยท่านถึงไหมอาขาตาตาถาคา ต, าติต้นบอกว่าภาษาสดาเป็นแต่เพียงผู้บอกใช่ไหมออใช่ไหมที่ที่พูดอันตามายตบอกว่าในคำภีหรือเจ้าตัวไปทีดดท่ดอนบอกว่ากิตอันใดที่ตถาคตจะพึงทําแก่เธอเท่าไหร่จิตอันนั้นตถาคตทําแล้วเธออย่าได้เป็นผู้มีความเสียใจในภายหลังออใช่ไหม ดูก่อนที่สู่ทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่านั่นรองฟางใช่ไหมใช้จงไปตั้งความเพียใช่ไมอันนี้เหมือนกันกรณีก็คือเราทำในที่ว่าเออคุณจะเชื่อมพระพุทธเจ้าไงคุณเชื่อมเส็จเสร็จให้มันกิดข้อนามาเสร็จแล้วคุณฟังพระพุทธเจ้าแล้วแล้วคุณก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่คุณมาเดินตามแล้วเราไม่ใช่สารณะนะ เพราะเราก็มีพลัตนาใจเป็นศาสนะถ้าอย่างเงี้เราก็ชี้เขาแต่เมื่อชี้แล้วเขาจะคิดเป็นอื่นมันไม่ใช่นาทีของเราแลับมันไม่ใช่นาทีมันไม่ใช่นา ท, ขนนา ท, นนาทีของเราแล้วยาวรี ย, ยนว่าเงั้ยไหมเยยมค่ห <S S 2> มื อ, ม อ, มอมนสมมติยดียวยาวเขียนหนังสือเนี่ยหลักการเขียนหนังสือมีอยู่ว่าพยายามเขียนหนังสือให้ตนเองเนี่ย เป็นอิสระใช่ไหมเป็นอิสระจากหนังสือให้ได้ว่าหนังสือที่เขียนที่นําเสนอเนี่ยเป็นการนําเสนอพระพุทธพจน์อพรนก็คือการทำให้สมบูรณ์ที่สุดเมื่อทําให้สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าไหรแล้วชื่อว่าท่านผู้นั้นทําอิสระทำตนเองจะให้เป็นอิสระจากหนังสือ ใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องมาเกี่ยวข้องหมายความว่าบุคคลอ่านหนังสือไม่ใช่มาติดผู้เขียนก็บางทีติดนะคะก็ตรงเนี้ยเราเจตนาแนหะบางทีมาติดอ่ะย่อมาไ ม, ไ, ไม่ได้ติดไม่ได้ ต, ดติดแบบนั้นเพียงแต่ว่ายก จ, จ้องสันเฉินซึ่งบางทีเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องการเจตนายคะ เขาไม่ได้อันนี้จริงๆเข้าใจเข้าใจตรงนี้ตรงนี้มันห้ามไม่ได้แต่อยู่ที่ใจเราไงคะใช่อาจารย์คามันคือแต่รู้ตัวเองค่ะพยายามที่จะไม่ไอ้โลกกระทำแปดจะไม่พยายามให้มันว่าเขียวกินแล้ว่ายๆนั่นจะเป็นเรื่องที่สุดต้องมันมันมันมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเพราะฉะ น, นั้นไอ้สิ่งที่ใครจะมาสรรเสริญยก่อๆนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขอบคุณ เราะวาเข้าใจจริงๆเขาก็อาจจะพูดจากใจเขาจริง ๆ, ๆนะค่ะเหมือนอย่างเนี้ยค่ะเขเข้าใจจากท่านเขาพูดอย่างเนี้ยคือคือตรงนั้นนี่ยมันเป็นความดีถ้าเป็นความดีก็ก็คือนั่นโอ้เรียบเรียงได้ดีคแค่นั้นเองเข้า <ๆ S 1> ใจไหแล้วมันเป็นไปไประโยชน์กับเขาเราก็ชื่นใจใช่ไหมคะ <c oughs> อันนี้นนเพราะว่าอ เ, เออภูมิใจว่าอ้ออย่างน้อยที่สุดผลงานก็ยังยั ง, ย, งยังได้ให้คนอื่นเอาไป มีความเข้าใจมีมีมีข้อปฏิบัติตามนั้นได้ น, นี้มันก็เป็นความความภูมิใจของเราแนะคะแต่ว่ามีไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดิงดอทใจหรือไม่ได้คล้อยตามไปกับไ้คำยกย่องสรรเสริญอะไรทั้งหลายแหนอะไรอย่างนี้นะ ค, ะค่ะใช่นั้นดูดูใจดูใจตัวเองจริงๆเพราะว่าพยายามเหลือเกินค่ะคือการการเขียนหนังสือใ น, ในหมายคำาอว่า ถ้าบอกว่าก็คือเน้นเราเนาา้นหลักหลักการก็คือว่าคือต้องการจะนำเสนอพระไตรปิฎกอริยคตาและดีการหรือก็บมีอื่นใช่ไหมเพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 และเป็นการเขียนเนี่ยเป็นการเขียนเพื่อต้องการศึกษาของตนเองไปด้วยแล้วก็ต้องยินดีในการที่จะรับฟังคําทักท้วงและคาแน่นำอำตลอดถึงแก้ไขปรับปรุงเมื่อเกิดความผิดพลาดระบบป้องค่ะค่ะและก็ตามคําที่บอกด้ยด้วยท่าทีที่มีเมตตา ม, มีความหวังดีต่อกันเนะีเ่ยเพื่ออะไร เ, เพื่อให้งานนะั้นมันสำํำฤ็จ สำริดทีนี้พอมาพิจารณาอย่างนี้ก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจบอกว่าโอ้นีไงเมื่อทำไปในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นเป็นเหตุนะนะเป็นเหตุทำให้ผู้เขียนเนี่ยเริ่มเป็นอิสระเป็นอิสระเป็นอิสระจากเมื่อเขียนเสร็จเราจะเป็นอิสระทันทีเลยเป็นอิสระจาก จากพ่อเหรอเพราะว่าเราได้ทําหน้าที่ในการที่นําเสนอใช่ไหมนําเสนอไปเสร็จแล้วเราได้ทําหน้าที่เป็นผู้นําเสนอได้ทํากิจที่ควรทําี่เสร็จแล้วใช่ไหมฮะนั่นแหละกิจที่ที่อุบาสิกาควรทํานั่นแหละโอ้ช่ยงยงก็อย่างนั้นไงเมื่อเมื่อทําเรีเสร็จแล้วก็เป็นอิสระใช่อ๋อความอิสระหมายความอย่างนี้ใช่ไหมเป็นอิสระก็คือเราเราเราได้โปร่งรุ่งเบาใช่ไหม เมื่อท่านบนนั้นมาอ่านก็เป็นอิสระจากผู้เขียนอทําไมถึงเป็นอิสระเอาตอนนี้เป็นพุทธพจน์ดนั้นะคุณจะไปจมตีผู้เขียนไปได้นี่พุทธพจน์ท็อปนี่เป็นอัตถฐา น, นี่เป็นตีกาคุณอ่านไปเสร็จนั้นผู้อ่านกับผู้เขียนเนี่ยเลยเป็นอิสระต่อกัน<อ>แล้วกันอืมเป็นอิสระก็คือไม่ต้องมาปูกพันธนะ์ทำไมคุณเขียนอย่างนั้นไม่มีเลยข็แล้วอ่ามันเป็นอิสระอย่างนี้ นั้นเราเขียนอย่างผู้ศึกษาในขณะที่เราเขียนไปเราก็ได้ศึกษาค่ะเราก็ได้อ่านเราก็ได้เกิดความเข้าใจแล้วก็ย่อมอนน้อมรับคําท้องดินด้วยความเมตตากราณีต่อใครให้การหวงดีต่อกครแล้วกันนี่หัวใจของผู้เขียนอันนี้อย่อมจะเอาลงในคำนั้นอันนี้ด้วยอีกทีหนึ่งเมื่อเมื่อพุ้ธุกิจก็พูดแต่ไม่ได้พูดจะแจ้งถึงอย่างนี้เพียงแต่ว่ายินดีที่จะรับคํา ติชมอะไรเพื่อจะได้มาปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นแต่อันนี้จะจะขออนุญาตเขียนอันอันนี้ลงไปด้วยเพราะสุดท้ายแล้วก็จะได้ให้ให้ว่าเล่มไหนที่มันมีข้อบกพร่องหรืออะไรก็แต่ก็ไม่เห็นมีใครบอกสักทีไม่ใช่คือเราเขียนตรงนี้เสร็จแล้วก็ทําหน้าที่ด้ยความเป็นอิสระใช่ไหมเราเราเป็นอิสระใช่ใเป็นอิสระเสร็จกิจเสร็จกิจของเรา แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เป็นอิสระต่อหนังสือด้วยเป็นอิสระต่อโดยทั่วไปทีนี้ถ้าความเป็นอิสระของเราจาับหีไม่ได้ก็ต่อเมื่อเราได้อธิบายอะไรเกิน<อ>ใช่ไหมโยกเกลีวที่สุดอันนี้เกินเลยไนงะพอเกินเลยไปเสร็จอันนั้นะเราจะปัดภาระราความรับผิดชอบไม่ได้ ไม่ได้อันนี้ยแล้วมันจะจำหลักอยู่ในหัวใจที่เกิดเลยอไอ้ความผิดพลาดอันนั้นนะคับคือตรงนั้นนั่นแหละก็คือก็คือจุดที่จุดที่มันมันไม่ได้เป็นอิสระเลยทีเดียวหรือการที่เราเรียบเรียงได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในใจเราก็เลยไม่กระบายใจนั่นเลยก็เลยขาดอิสระตรงนั้นห่ะแต่ถ้าเต็มที่ของเราแล้ว มันจะโปร่งโล่เราเราได้ทำหน้าที่ในฐานะอุบาสิกาผู้หนึ่งของพระศาสนาเหมือนว่าถวายชีวิตสุดชีวิตและทำอี่ยททาทุกอย่างอย่างด้วยชีวิตจริงๆจิตวิญญาณใช่จิตวิญญาณค่ะค่ะก็ขอให้คนนน้น่ะดีดีค่ะให้คนแนนาีก็เลยจะได้แนะนําในกรณีอย่างนี้ทีนี้ประเด็นต่อไปนี้เนื้อหาอันมากรสสารว่าจบคะะ ต่อไปกันเนื้อใช่ไหมพอพูดถึงในส่วนขอ ง, ของคําว่าอัศธาธิเราวควรจะดึงสูตรไหนมาเชื่อมถ้าพูดถึงอาธีนาวะเราควรจะดึงสูตรไหนมาเชื่อม<ไ>ถ้าพูดถึงในด้านมังนิสตะระนาเร า, าวควรจะดึงสูตรไหนมาเชื่อมเนาะเอาที่อาจมาไม่ได้เตรียมตัวนี่นะจะนึกน<ไ>ึกนึกเอาเนะนึกจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่นะในส่วนของอสาทะทั้งหลายเนี่ยนะที่ ที่ดึงเข้ามาแล้วค่อนข้างที่จะอได้เชื่อมตรงนี้หน่อยก็คือว่าในวิมานวัตถุทั้งหลายเห็นไหมในบุรุกายิีกายแล้ววิมานวัตถุขั้มพี้เหล่านี้ยแล้วก็ไปหาเก็บข้อมูลมาหน่อยว่าสุขสมนะที่เกิดขึ้นจากในสวรรค์ในวิมานที่เกิดขึ้นจากไหว้พระธาตุไหวอะไรต่างๆเลยก็แล้วแต่เนาะให้ทานรักษาศีลหรือไปเก็บจากรายละเอียดต่างๆนี่ในส่วนของ ในส่วนในผลจาก า, า ก, การกระทำใช่ชใช่ใที่ในส่วนของอาชีนวะก็ไปเก็บเอาในส่วนของในขุนกัศนิกายเปตนวัตถุเป็นต้นหรือในเทวทูตสูตรเป็นต้นในมัชฌิมนิกายนะคะเทวทูตสูตรในก็มีมชัชฌิมานิกายเป็นต้นนี่เราจะได้มอ ง, งเห็นจุดตา่างนี่เปตตะวัตถุใช่ไหมใช่ใช่ระหว่างอสสาธะกับอาชีนวะ ระหว่างสุขโสมันนั้นแตทุกโทษจะได้เห็นชัดว่าภพภูมิเป็นยังไงอันนี้นะทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะมองโดยตรงมองในตรงของคำว่าในทางด้านสรุปลงอาัศาธาอาธินาวะแล้วก็นิสรณะเลยก็ไปดูในในทุกขา มหาทุกขะขันตสูตรหรือจุลละทุกขะขันตสูตรีนมัชฌิมนิการนะจุลลทุกขะขันตสูรทุกขะทุกขะันตสูตรนี่แหละตรงนี้ท่านจะกล่าวทั้งอัศธาทั้งอาทีนะวะแล้วก็นิสระนะาาญญกล่าวสามสัหรือนะหรือในปาราสิสูถึงอย่างนี้เราก็ไปหยิบข้อความบางจุด บ, บางตอนมา ทั้งในชั้นของบาปาราสาศสูตรนี่อยู่ในไหนมัชฌิ ม, น, ม, มนิกาอมัชฌิมนิกาอย่างนี้นจูระนี่ก็มัชฌิมะใช่คะใช่่ทั้งจูระทุกกะหมาทุกกะนัน่นนัน่นในในส่วนต่างๆาเหล่านี้ท่านก็จะอธิบายทั้งส่วนที่เป็นอัศธาส่วนที่เป็นอาจาาี น, นวะนแล้วก็บอ ก, กแล้วก็บอกนิสระนะนีนสูโอใช่ใช่ค่ใช่ค่ะท่านจะบอกว่าอูในสว่าอัสธาธ่วนี้นะหรือถ้าในปาราสาศสูตรใช่ไ ที่ตอนที่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยที่สระหรืออีกสูตรหนึ่งก็คือว่าในมาคันธียสูตรใช่ไหมในมาคันธยสูตรเนี่ยน่าจะอยู่ในไม่มัชิมิกานิกากทิคติกาอะไรมาจะไม่ค่อยชัดนะตรงนี้นะเจอหลงๆมาตื้มานานเลยอย่างเงี้ยท่านจะพูดถึงในเรื่องของกาลมคุณท่านในมาคันธยสูตรท่านจึจะพูดท่านในชั้นก็ว่าจจะกถาเขายกอุปมารเรื่องกามคุณเลย ว่าการมาคุณเนี่ยสมัยที่พระโพธถาัตว์เคยได้สมัยเป็นเป็นหมหาบุรุษเนี่ยขนาดไหนหรือถ้าถ้าต้องการอยากจะยกแบบอืประเภทที่เอาของพระโพธิสัตว์เลยนะก็ต้องไปดูในหมหาสติปัฏฐานสูตรในภาคพระ อ, อุเทศถ้าในภาพระ อ, อุเทศไม่ชัดตอนที่กล่าวถึงพระเจ้ามันธาตุราชวกก็ไปดูในชาดกเลย มาทันพระเจ้ามันในมรนธาตุราชาดกมันธาตุราชาดกตุราคือขอบที่กล่าวในเรื่องของประวัติของพระเจ้ามรรธาตุรา ช, าวชัวคือพระเจ้ามรรธาตุราเนี่ท่านกล่าวให้กับท้าฟังค่ะว่าท่านได้รับอาส า, า, า, าทขนาดไหนตอนเป็นพระเจ้าจรพรรดท่านปกครองทวีปทั้งสี่และทวีปน้อยใหญ่เป็นบริวารอีกสองพันและยังปกครองจาตุม แล้วยังไปปกครองในสวรรค์ชั้นดาวดึงอีกจนเท้าสกะดตายไปสามสิบเอ็ดพระองค์เจสามบหกพระองค์แต่ความสุขที่ดื่มด่ำจากอาสาธาัานก็ไม่อิ่มกล่าวถึงโทษของตัณหาเนี่ยกล่าวจนพระบรรลุได้เลยอ่ะสุดนี่<ร> <laughs> จนพระอยากที่กระสันจะสึกเนองไม่สึกเลยเงี่ยเดี๋ย น, น, ยนีเป็นต้นคือพูดถึงในด้านของตัณหาพูดถึงด้านอาสาท่ พูดถึงด้านสุขสงวนนะและในที่สุดจริงๆงตนเองก็ต้องมาตายลงพูดถึงโทษโทษของการเสกกรรมาคุณจนตายถ้าจะล่วงมาจากสวรรค์เช้นเดาดึงแล้วตกมาเยี่ยมอุทยานแล้วก็เขียนเป็นจาวลึกเอาไว้ว่านี่ไงพระเจ้ามันทาตุราเนี่ขนาดนี้บุญขนาดตกประหารสามครั้งนี่ฝนกหายนะลอยตกลงมาเนี่ย ม, มันยังไม่ยิม่มมันยังไม่ยิ่มจะได้ให้คนทั้งหลายที่กระหายนี่อาศธ า, าทั้งหลายรู้ว่า อสาท่านาุเสะไปเถอะแม่น้ำเสมอด้วยตันหามหีไหมเห็นไเหมือนที่กล่าวไว้ในชาดกทั้งหลายอ่ะเกี่ยว ก, กับในเรื่องของตันหาเนี่ยนะเนี่ยในตันหาว่าในธรรมบทเนี่ยหมายว่าโทษโทษของอสาท่าทั้งนั้นเน่ยถ้าเราจะกล่าวในเรื่องของตันหานีไปดึงในธรรมบทมาแลเนะี่ี่ยในธรรมบทรู้สึกจะอยู่ในเอเนี่ย ในเรื่องของตันหาวะที่ว่าด้วยเรื่องของนางลูกสุกรใช่ไหมเคอเคยก ล, ล่าวาบ่อยๆนะัที่ว่าว่าไงอนะย่าทาปิมูเรอันุปะดาเดาเดนีชินโนปิรุโคปุนเรวรุหาติเอวังเอวังปิตันหานุสัยเยอนุฮาเตนิพัตติตดุคามีดังปุนาปุนัง ยาชาิงสติโสตมาณปศาวณผู้สาวมหาวันทิฏฐิทิมสังกะปาราคณิสิตาสวันติสัพพิโสตลาตาอุกิถิชาติ a าติตัน จาทิสวารตังชาตังมูรังตันหาปัญญาญชินทัธเสรีตานิสิเดหิตานิจาโสมณัตานิบาวันติชันตุโนเตสะตสิตาสุเคสิโนเตเวชาติชารูปะคานรา กสิณายาปุระคตาปะชาปริปัสันติสะโสวพาธโตสัโยชนสังคาสตาลูกามุเพนติปุนาปุณังจิรายากสิณายาปุระตาปะชาปริสัพพันติสะโสวพาธิโตตัสมาตสิังวินท พิโคอากังขังมีรากรรมตโนโ<อ>เนี่บอกว่าต้นไม้เนี่ยเมื่อรากไม่มีอันตรายยังมั่นคงอยู่ากาดใดถึงจะถูกตัดไปแล้ว<อ>ก็ย่อมงอกขึ้นได้อีกทีเดียวแม้ฉันใดตัณหานุสัยอันบุคคลยังถจัดไม่ได้ด้วยอริยมรรคแล้วทุกนี้ก็ย่อมเกิดขึ้นอยู่ร่ำไปชาติทุกชราทุกมรณะทุกก็เกิดขึ้นอยู่ล่ำไป กระแสแห่งตัณหาสามสบกซึ่งไหลไปในอารมณ์เป็นที่น่าชอบใจเป็นธรรมชาติกล้าแข็งย่อมมีแก่บุคคลใดความดาริดที่สร้างออกมากมายที่ยิงอาศัยราคะย่อมนําบุคคลผู้มีทิฏฐิชั่วนั้นไปกระแสแห่งตัณหาย่อมไหลไปในอารมณ์ทั้งพวงมีรูปเป็นต้นตัณหาดุจเถาวันแตกขึ้นแล้วย่อมตั้งอยู่ท่านทั้งหลายเห็นตัณหาดุจเถาวันนั้นซึ่งเกิดขึ้นแล้ว จงใช้ปัญญาในอริยมรรตัดเง่าของตัณหานั้นเสียเถิดสมณะตนะั้งหลายที่สร้างไปแปดเปื้อนด้วยตัณหาดุดยางเหนียวย่อมมีแก่สัตว์ทุกพบเราสัตว์เหล่านั้นอาศัยความตํำราญเป็นผู้สแสวงหาความสุขนรชนเหล่านั้นก็เข้าถึงชาติชราวรณะบ่อยๆมูสัตว์ถูกตัณหาคือความดิ้นรน แวดล้อมแล้วย่อมกระเสือกกระสนดุดกระต่ายที่ถูกนายพานดักไว้แล้วฉะนั้นเราสัตว์ผู้คล้องแวกอยู่ในสังโยชน์และกิเลสเป็นเครื่องค้องทั้งหลายย่อมเข้าถึงชาติทุกชราทุกมรณะทุกบ่อยๆ อ, อยู่ช้านานมูสัตว์ซึ่งถูกตันหาตัวทําความดิ้นรนห้อมร้องไว้แล้วย่อมกระเสือกกระสนดุดกระต่ายที่นายพานดักจับไปแล้วฉะนั้นเพราะเหตนะุนั้นภิกษุภิกษุณีอุบาสกแอุบาสิกาผู หวังอยู่ซึ่งธรรมเป็นเครื่องสํารอกกิเลสตัณหาพึงบรรเทาตัณหาที่เป็นตัวที่หล่นเฉยถูดอย่าเนี้ยอันนี้ในประวัติก็ไปดูในธรรมบทท่านจะเล่าประวัติว่าในคุตการิการธรรมบทเีจะไปดูในธรรมบทท่านก็จะเล่าประวัติของสังสารวัฏเจ็บปดูดเล่าถึงตั้งแต่พราพุทองค์เห็นโูกสุกร เห็นลูกนังสุกรพระองค์ก็แยง้งก็แย้งพระโอดข้านนก็อยู่ด้านหลังก็ถามก็เลยเล่าลูกหมูตายเมื่อกี้อัตภาพาเป็นคนล่ำคนรวยได้ฌานต่มาบัตดต่อมาเ<ม>นี่ยมาเป็นลูกหมูมอม่แล้วก็แล้วก็อยู่ต่อมานี่นะเขาจะเล่าประวัติไปดูทำบทกันยาวเลยทีนี้ประวัติของนี่ก็ยังนิดจะเห็นสังสารวัฏถ้าเล่าใช่ไหม พอไปไปมามายุบหลังอย่างพุทธเจ้าปรินิพานล้วหลายร้อยปีมาเจอในยุคของฟิสูบรูปเนี่ยเคยบวชเป็นพิสุตีท่านล่าประวัติท่านตายประมาณสิบสามอัตภาพหรือประมาณยี่สิบอัตภาพจําไม่ได้เลยนะแล้วต่อมาท่านได้บรรลุพอบรรลุไปเสร็จท่านก็นเล่าประวั่านีเล่าไปแล้วคนร้องไห้กันคนบรรลุกันโอ้โ ห, หน่ากลัวจริงรงสาวเลยวะนี่ไงเล่าเรื่องรังสาวเล้วว่าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหม อย่างเี้ยสรุปให้คนเห็นโอ้โหอ่านแล้วน้ำตาคอเห็นสงสารเลยว่าน่ากลัวเห็นแล้วน่ากลัวโอ้โหเป็นพรมว่เป็นเป็นลูกเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นยาจอบวันนี้พบเป็นแม่ไก่บ้างเป็นหมูเป็นสุกรใช่ไหมจะต่อมานี่มาเป็นมามามาบวชเป็นพิจงนี้แล้วได้บรรลุแล้วนึกถึงสิบสามสิบสีอัตภาพเห้ืนกันดีแล้วมาเล่าสรุปสังเวียน้วนาก็ไปลินิตผ่านไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น มีไหมถ้าอย่างเห็นความเป็นบาทางสังสารระคว่าคนปัจจุบันนี้ยกอย่างนี้เขาใช่เขาเห็นคนที่ที่อ่านดูไอ้ไอ้อาศัเนี่ยนะคะเวทนาลูกสัญญาเวทนาที่เกิดที่อะไรฮะที่ให้ให้คุณอที่พูคุณลูกเวทนาสัญญาสที่ที่ที่เกิดอะไรจากสุขโสมนัตนั่นเป็นคุณ โยมก็เข้าใจแค่นี้อันอันนี้มามาเข้าใจไอ้ค่าวข่าขยายความอีกแต่เราต้องเอาสารบุคคลอธิบายต้องใช่ค่ะเยอะเยเยอะมากเลยอันนี้ก็จะได้เห็นว่าเป็นยกยกทาบทเข้าประกอบไปค่ะนี่ไงยกแต่ละเรื่องประกอบอย่างอาจมายกเป็นตัวอย่างเสื้เรื่องนี้ยต่อไปก็เอายมจารย์มหาที่เยอะเลยเพรายกประกอบประกอบประกอบมาเห็นคือเชื่อมโยงเห็นโอ้นี่ไงสังสารวัตรอ๋อนี่ไงอาคีนวะ อ๋อใช่ให้มันเห็นเห็นชัดชัดชัดเจนขึ้นอีกนอกจากคำพูดแค่นั้นใช่ใช่าอเห็นบุคคลเห็นอะไรต่างๆตรงนี้ชัดเลยสรุปลรงอาเรศศาสตร์แล้วเขาลงในสัจจสัมยุตีเขาว่าไปเนี่ยแ่ในลักษณะนี้เขาจะคนนี้ในลักษณะนี้เราเราจะเอาทีละ เอาทีละอย่างดีไหมฮะหรือว่าจะเอาไอ้ที่อธิบายที่มีทั้งอัศร์ทัพมีทั้งอาทีนะว่ามีทั้ ง, งนี้ฉันนั้นอยู่ในเรื่องเดียวกันอ๋อมันอยู่ที่วิธีนําเสนอเออนี่ถามดี <c oughs> ถามดีก็คือว่าถ้าเ อ, า, อางี้นะเนี่ยลำดับในคัมพีชินารังการแนละ้ว <c oughs> สังเกต ด, ดูให้ดี <c oughs> ท่านก็เรียนลำดับแบบนี้ น, น, นะสุคโสมนัส แล้วก็เป็นอารทินวะใช่ไหมแล้วท่านก็ไปสรุปลงการบรรลุของพระพุทธเจ้าเห็นไหมไม่อธิบายเพืะอแต่ขุนท่านจะยิ้มที่ใบเรียนลาดับนั่นเองแต่เพียงเราไม่ได้สังเกตเลส่วนไหเปส่วนไหนเป็นอสาธาส่วนไหนเป็นอารทินาวะส่วนไหนเป็นวิสารณาส่วนไหนเป็นผลเป็นอุบายเป็นอนัะเราไม่ได้สังเกตไม่ได้สังเกตจริงท่านเรียงลำดับตามเทศนาหารละของพระพุทธเจ้าเพราะท่านชํานาญกันอยู่แล้วบุคคลเห่านี้ที่ท่านเขียนคำพีทั้งหลายสังเกตเลย แต่ว่าท่านยกเป็นเรื่องเรื่องไว้คแต่ท่านไม่บอกว่าส่วนนี้ที่พูดถึงความสุขความสุขของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนี่เป็นอาสาท่ความทุกข์ของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นอาทีนะวะแล้วการที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายกําลังดำเนินสติปัสสนาสมาธินี่เป็นนิสรณะท่านไม่บอกแค่นั้นเองแต่แท้ที่จริงนั่นแหละเห็น ไ, ไหมนั่นแหละท่านเรียงลาดับการแสดงคำเพราะฉะนั้นก็เอาเรียงลาดับมา ทุกอย่างทุกอย่างไปตามข้อความอันนั้นก่อนแล้วมาสรุปตอนท้ายก็เอาเอาเอาสูตรที่สรุปทั้งหมดเลยละมีอาสาทัสุดท้ายเอาอาที่ว่าเนี่ยนะคะแล้วก็ชี้ชี้ให้ชัดว่าอันนี้คือใช่ไถ้าอย่างงั้นเขาต่อไปนี่เป็นประโยชน์ของผู้อ่านเพราะผู้อ่านได้อ่านพระไตรปิฎกเไปแยกไปแยกได้ทําให้เขาแยกกด้โอ้เราอ่านพระไตรปิฎกมานาน เราไม่ได้แยกเนะกาะส่วนนี้เป็นโจรอัสสาทั้งส่วนนี้เป็นอาทีนาวะส่วนนี้เป็นมิสระนาส่วนนี้เป็นผลส่วนนี้เป็นอุบายส่วนนี้เป็นอาน <S S S S ะโอสรุปลงอนิยสัจคือโทษสมุทัยมีโรภมรรคแล้วได้บรรลุมรรคผลนิพพาน<ะ>อย่างไรแล้ว<ะ>บางสูตรทําไมกล่าวสั้นอเพราะท่านสุก่าวสูตรยาวไปแล้วท่านไม่ต้องมาเชื่อมสูตรยาวเลย<ะ>ก็เลยเข้าใจนักเข้าอ่านพุทธคัพ์ตรงไหนไปแยกได้ขยายได้ใข้ครวนโดยเองได้หมดเลย นีมันเข้าใจแล้วทีนี้พอทําอย่างนี้แล้วเราจะต้องเอาไปเข้ากับอะไรอีมั้เชื่อมโยงไปกับปริญญาเนาะตรงนั้นแล้วหรือยางไม่องแล้วแต่เราจะเชื่อมแล้วถ้าเรากลัวหนังสือมันหนาเกินไปแล้วก็ไม่เป็นไรแค่หนังสือกี่หน้าก็ได้ก็สามารถเชื่อมได้เพราะว่าในปริญญาเ้าก็าจะลงในเรื่องของวิปัสสนาญาณยาแต่ปริญญาเป็นนามรูปปริเชตญาณเห็นไหม เป็นปัจจยปริคหายานตีและนปริญญาก็เป็นสมาสนญาาอุทยปรยญาญาเป็นต้นแล้วก็ปหารนปริญญาพูดถึงลักปหารยิ่เหลืตั้งแต่ตัดทางค้จนจะถึงวิขังจนถึงสมุจเฉทะหารจนถึงอาธมะจะถึงมรรคผลแล้วก็แยกได้หมดเพราะเขาเรียงลำดับไว้อยู่แล้วรากวิปัสสนาญาณชโยงเชื่อมโยงสายขาเห็นอย่งนี้หมดตรงนั้นดีกว่าใช่คะ ไอไอไอปริญญาไม่ตรงนี้ไม่ต้องเอามาเข้าแล้วมันมันมันมันจะมากไปจะหลายชั้นเถองเพราะว่าการแสดงทำและแต่ว่าต้องแสดงมุมไหนมุมมิสุดที่เจ็ดหรือมุมมิปัสนายานสิบมิปัสนายานสิบหกหรือมุมปริญญาสามใช่ไหมมันแแต่แสดงไงเพราะว่าคนที่เขาเข้าใจเขามองได้ทุกมุมใช่ไหม นะตรงนี้มองได้ทุกมุมแต่ว่าถ้าหากว่าเราเราจะนจําเสนอมุมไหนก็ชี้ให้ชัดนี่เรามุมเรื่องสังสารวัตรก็ชี้ให้เห็นว่าสังสารวัตที่เป็นไปในส่วนของวัตคามินีกุศลเนี่ยเป็นยังไง ใ, ใ, ในส่วนของวิวัตคามินีกุศลเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องอะ่ะแล้วที่ผ่านมานั้นสัตว์จเจริญวัตคามินีกุศลกันทั้งนั้นหเลยจึงไม่เห็นโทษของสังสารวัต เพราะสัตว์ไม่ได้เจริญกุศลประเภทวิวัตคาเมร์นี้พอเริ่มชี้อย่างนี้ไปเสร็จแล้วเขาก็จะเริ่มจะเข้าใจพอเริ่มเข้าใจไปเสร็จันนี้ก็เลยชัดเจนขึ้นแล้วอย่างนี้นะก็เริ่มจะมองเห็นพระธรรมของพระพุทธเจ้าในสว่างจ้าในใจแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเป็นไปลักษณะนี้นี่ก็เรียกว่าเกินการมองดูโครงสร้างของพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาค ในเกี่ยวกับนี้เรื่องของสารวะทีนี้กรณีอย่างเนี้ยก็เท่าที่อย่างโยมยาามองได้แมาเดาตรงนี้ก็คือว่าโยมอาจารย์ก็เริ่มมองเห็นโครงสร้างภาพทั้งหมดเลยนั้นซึ่งมีวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมมีวิธีการเน้ก็ค้นจากในนี้นั่นแหละแล้วก็จะเริ่มมีวิธีการจะวางคือเบื้องต้นเลยจริงๆเนียคือการวางระบบ ใช่ไหมโครงต้องต้องชัดก่อนการจะเขียนหนังสือก็แล้วว่าหนึ่งต้องเชื่อมต่อให้ได้เ ช, ชื่อมต่อถ้าพูดถึงในเรื่องของสังสารวัตก็คือว่าให้เข้าใจก่อนตัวสังสารวัตตัวแกนหลักคืออะไรถ้ายังไม่เข้าใจแกนหลักของสังสารวัตที่เป็นเรื่องเรื่องของขันท่าเดียดยนะเนี่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องแกนหลักของขันท่าเดียดยนะแล้วอันนี้เป็นสภาวะเป็นปรมาภิสำ ขันห้าเป็นปรมา ธ, ธรรมท่าสิบแปดเป็นปรมา ธ, ธรรมอายตนะสิบสองเป็นปรมา ธ, ธรรมค่ะอ๋อคำว่าสังสารวัตนี่แกนหลักจริงๆคือสภาวะที่เป็นปรมา ธ, ธรรมที่เป็นแกนหลักของขันท่าและอายตนะที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาแล้วมันไม่หยุดหมุนมมสัตว์โลกไปเข้าใจว่าตายเกิดทนะั้นั้นถึงจะเป็นหมุนไปไม่ใช่แม้ชีวิตที่เป็นอยู่ของชีวิตเขาก็กําลังหมุนอยู่ทุกๆขณะจิต หนึ่งขนาดจิตเกิดขึ้นชื่อว่าขันห้าเกิดชื่อว่าอายตนะเกิดชื่อว่ า, าธาตุเกิดแต่สัตว์ไม่เข้าใจว่าแม้หนึ่งขนาดจิตนั่นแหละชื่อว่าขันห้าครบอายตนะเกิดแล้วก็ธาตุก็เกิดพราะขนาดจิตที่สองเชื่อมไม่มีการขาดตอนนั้นชื่อว่าการหมุนไปของสังสารวัฏแล้วนี่คือสภาวะนี่สัตว์ไม่เข้าใจไงว่า ปฏิจจสมบัติที่กําลังหมุนในกระแสขันของขัดแต่สัตว์แต่และบุคคลเช่นแม้ในขณะจิตหนึ่งเช่นเกี่ยวกับโลภะดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นในนั้นมีโมหะโมหะนั้นคืออวิชาใช่ไหมเอาวิชาที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วสังขารที่เจตนาเจสิกที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งจึงเกิดขึ้น เพราะเจตนาคือสังขารที่โลภะในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้ววิญญาณคือโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะวิญญาณคือโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วนามคือเจตสิกขันสามคือเวทนาสัญญาสังขารที่ในโลภะมูลจิตดวงหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะนามคือเจตสิกขันสามที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วเห็นไหมนามเนี่ยอายตนะคือฉัานายตนาอายตนาที่หก คือโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งยิ่เกิดขึ้นเพราะอายตนะคือฉัฏฐานายตนะอายตนะดวงที่หกเนี่ยอายตนะที่หกเนี่ยเป็นเหตุแล้วผัสสะคือผัสสะเจสิศที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งยิ่เกิดขึ้นเพราะผัสสะคือผัสสะเจสิศที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วเวยตนาคือโสมนัสเวยตนาที่ในโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเกิดขึ้น เพราะเวทนาคือเวทนาที่ในโลภมูลจิตดวงหนึ่งเป็นเหตุแล้วตัณหาคือโลภเจตสิกที่ในโลภมุลจิตดวงที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นเพราะตัณหาคือโลภเจตสิกที่ในโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วอุปาทานคือทิฏฐิแล้วโลภที่เข้าถึงความเข้มข้นเลยที่โลภมูลจิตดวงหนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะอุปาทานคือทิฏฐิคือทิฏฐิเจตสิกที่ในโลภมูลจิตดวงหนึ่งเป็นเหตุแล้วไหภวะ คือเจตนาที่ในโลภะมุลิจิตดูที่หนึ่งจะเกิดขึ้นเพราะภาวะวาคือเจตน <ouse reasoning paper> าที่ในโลภะมุลิจิตต่ำเพราะภาวะคือเจตนาที่ในโลภะมูลิจิตดูหนึ่งเป็นเหตุแล้วชาติคือขนาดเกิดอุปาทัขนาของโลภะดูหนึ่งเป็นเกิดขึ้นเพราชาติอุปาทัขนาดของโลภะมูลิจิตดูบาดดูที่หนึ่งเป็นเหตุแล้วถีติก็คือชลาและพังคขนาดคืมระนะถีติคือ ทีติขนาของโลภะจิรุบาทกับทังค์ขนาดของโลภะจิรุบาทคือชลาและมรณะดวงที่หนึ่งจึงเกิดขึ้นใช่ไหมความเกิดขึ้นหแห่งกองทุกข์ทั้งปวงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้นี่ไงปฏิจจารณ์ในจิตดว ง, ง, งอันนี้ละเอียด ล, ลึกลงไปเลยเอาดวงเดียวเดิยนะนี่พูดให้เห็นว่านี่ไงนี่ไงสังสารวัฏ บาไมนี่ไหมนี่ไงสังสารวัตขนาดจิตเดียวนั่นแหละมันเป็นกูส่วนจะได้เข้าใจคําว่าสังสารวัตรคุณอย่าไปเข้าใจว่าสังสารวัตแค่เรียนว่าแต่เกิดแณขณะที่คุณกําลังคิดจิตดวงหนึ่งเป็นไปปฏิจจสมุปบาทสิบสองก็กําลังเดินในจิตดวงหนึ่งของกูในจิตดวงหนึ่งทั้งกุศลและอกุศลแต่อันนี้ถ้าจะอธิบายอย่างนี้มัน มันจะมากเกินไปสำหรับไม่ใช่ให้เข้าใจไม่ไม่โยงเข้าใจแต่ว่าทถ้าจะเอามาที่ใบในนี้มันคงจะไม่ไม่ไหว น, นะคะเพียงแต่เอาเอาเกินขนาดส่วนกลางหน่อยเก<ๆ>ินเกินได้ว่าปฏิจจส ม, มุตบาทหมุนในกระแสะขานะคะคุณตลอดเวลายอยู่แล้วอธิบายแบบนั้นบอกว่าเพราะว่าถ้าอธิบายอย่างนี้ก็คนที่ไม่ได้เรียนก็คงไม่เข้าใจ แต่บทได้เรียนนี่โอ้โหจะจะจะเข้าใจมากมากเลยนะคะแต่แล้วดก็ต้องการอธิบายให้เข้าใจว่านี้ไงสังสารวัตเดินอยู่ในใจในกระแสขันของคุณตลอดเลาคุณเคยรู้ไหมว่าวัฏฏะมันกำลังหมุนไม่รู้เนี่ยถ้าเห็นวัฏฏะกำลังหมุนอันนี้เป็นไปในส่วนของของของวัฏฏะประเภทไหน ใช่ไหมปฏิจจ์ประเภทไหนปฏิจจ์ที่เป็นกุศลหรืออกุศลแค่มันกําลังหมุนไปอยู่นะไม่ใช่หมุนธรรมดานะท่านเมื่อหมุนไปแล้วเนี่ยแต่ว่ากรรมมันสําเร็จไปแล้วนะแล้วท่านทําอะไรกันอยู่ท่านไม่เห็นทุกข์กับในปฏิจจ์ไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสัจจะในนี้แล้วแล้วท่านจะถ่ายถอนได้ยังไงแล้วคำนี้เรจะพูดได้ไหมได พูดแบบคร่าวๆว่าเราบอกว่าตามหูจมูกลิ้นกายใจที่กำลังเปลี่ยนอารมณ์เป็นทุกทุกวันนั้นคือการหมุนไปของปฏิจจารแล้วเราจะใช้คำพูดว่าท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้จะได้นะในการกล่าวตูไม่ตูเลยอันนี้เขาเรียกเป็นอภิธรรมมณเณรค่ะเป็นอภิธรรมมณเณรอภิธรรมาณเณรโยมโยจะได้เรียงเรียงเอาตัวโยมออกอ๋อไม่ได้กล่าวตูนะคะไม่ใช่กล่าวตูไม่ได้กล่าวตู่ท่านกล่าวไว้ว่าออย่างงี้นะท่านไหนไม่รู้นี่ คือก็พระพุทธเจ้าเลยไม่ใช่ครับคือท่านท่านกล่าวไว้ว่าอย่างนี้อย่างนี้ที่ที่ว่าเราเราเรารู้ไหมว่าอย่างนี้มันกําลังหมุนสต<ช>ิจจะกําลังหมุนไปอย่างเนี้โอ้ยอย่างนี้มีกล่าวว่าแย่ๆหมดเลยนี่สุดน่ใช่จะยกจะใช้คำานั้นนะะ่ะนะคะเราก็บอกว่ากเขาบอกว่าโดยหลักตามความเป็นจริงแล้วใช่ไหมโดยหลักตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเออการหมุนไปของขันทาปิยตนะ มันเป็นไปอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คุณเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้นลบสมากแล้วก็คิดนึกธรรมารมอยู่แล้วอันนี้เราไม่ต้องอ้างอะไรสักอย่างเพราะความจริงเป็นแบบนั้นแล้วก็วิชิพุทธพจน์นั่นแหละเอายังไงเอามีี่ถามว่ามีสูตรรับรองไหมอาศัยตาและรูปเกิดจากกุณญาการประชุมของคำสประการมิตรภาษาใช่ไหมในฉฉะกระสูรเป็นต้นเไหมเห็นไมแล้ก็กล่าวชัดเลยยินไหมว่าฉะนั้น หมุนไปทุกขนาดจิตอยู่แล้วค่ะค่ะคือคืออยากจะใช้คำพูดอันนี้แต่ว่ากลัวจะเป็นกล่าวตูไม่กล่าวดังนั้นอาจจะมาแล้วกล่าวตูที่แบบนี้ไม่กล่าวค่ะค่ะงั้นใ่นี้โดยหลักตามคเป็นจริงแล้วอะไราความนี้ค่ะก็คือคือคือในลักษณะเนี้ยพอเรามองอย่างนี้แล้วมันจะสะดุ้งจะถึงใช่สิครมันสะดุ้งจริงจริงสะดุ้งค่ะถ้าใครคิดแบบนี้บ่อยๆนะ นกเมื่อเช้ายังคุยกับพระอาจารย์น้องท่านคุยจะไปคุยจะมาอะไรก็ไ bueno, ม pues, ่ทราบเติมเองยากโยงบอกว่าโยเห็นนาฬิกาที่ที่อะไรที่เขามีตามวินาทีโอ้โหมันทำให้มันเหมือนสัญญาเตือนว่าใช้ไม่ได้แล้วนะพูดถึงรักเทกระมรัตตะรัตตะโส พระเทกรัสส oh so ูรชอบเหลือเกินตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไม่อ่านยังไม่ได้ว่าธรรมะก็ชอบเวราอันนี้คุยกับท่านท่าบอกว่าอุ๊ยมาฟังอยู่นี่พระองค์นั้นท่านก็พูดถึงสูตเดียวกับที่เราเคยชาออกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกมาคล้ายๆกับไปก็มนเดินพี่ก็มาเดินตามท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาพูดถึงอันเนี้ยค่ะว่าว่าว่าอะไรจะิดพูดอะไรอเไหมระไร่างเงีไหมนาฬิกา นาฬิกาค่ะนาทีนาทีวินาทีท่านนะโอ้โหมันมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่มาเตือนนะคะช้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นโยมบอกเก้าวันโยมไม่เคยนอนแล้วก็ถึงยังไงโยมไม่เคยปล่อยเสียเวลาเวลานี้นะฮะให้ให้มันเสียไปกับสิ่งมันก็มีบ้างนะคะไม่ใช่ไมีปุถุชนนะคะเพื<ต>่อสัมพงพุทธะวัชยานอนการเดียวเพื่ออะไรอะไรบ้างนนแต่คนนี้ถ้าอยู่ลําพังเนีย่ยมันมันจะไม่ปล่อยเลยเพราะเห็นนาฬิกา โหบุยป <r collections> ั๊บปั๊บปันมันคมาเตือนเองอะเหมือนเหมือนกับกุศลมรณานุสติโยงยังไม่ได้คิดอย่างนั้นเงน้เารียกมรณนุสติใช่ฮะนี่แหละคือมรณะนุสติตื่ใช่ไหมคะขน่นโยงยังไม่เข้าใจทังนั้นที่โยงทำแต่ว่าโยงไม่เข้าใจโยมรณานุสติโนะเขาต้องคิดถึงความตายบ่อยๆอะไรอย่างนี้อันนี้แต่อันนี้มันก็คิดหนชพาต้องรีบแค่ไหนรีบทำคำว่ามรณานุสติก็แปลว่ามันทำให้สะดุ้ง กลัวใช่กลภัยค่ะกลัวภัยค่ะกลัวลว่าภัยที่เราจะต้องเจอข้างหน้าเนี่ยรอชาไม่ได้เราจะมัวมาแต่งตัวงามงามมัวเที่ยวไปนู่นมัวเพลิด เ, เพลินในอารมณ์นั้นไอ้นั้นก็ยังไม่ทําทำไอ้นี้ก็ยังไม่ทํากังวเลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้เราผ่านแล้วชีวิตเราพ่านอย่างอย่างโมลานแลนน้วไดเ้เวลาคือเราแทนที่จะได้กุศลจากการที่ผ่านไปแต่ละนาทีนาทีและตอนวีนาที แต่เรากลับกลายไปให้บาปเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาตลอดเวลาเห็นไหมบาปเกิดทางตาก็บาปเกิดทางหูก็บาปเกิดทางจมูกก็บาปเกิดกินอาหารก็บาปเกิดพูดออกมาก็บาปเกิดการกระทําก็บาปเกิดคิดบาปเกิดโอ้โหเราน่าจะได้บุญทั้งหกทางใช่ไหมคนฉลาดต้องเก็บบุญหมดแล้วถึงนี้ก็เริ่มถ้าเกิได้หมดเพราะว่านะคะมันก็ยังถ้ากระตุ้นถ้ากระตุ้นแรงๆแบบนี้แสดงว่า ครอบย้อนยานจะอยู่กับทำรายจะเป็นตัวกระตุ้นเยอะเหมือนเหมือนกับไอ้สิ่งนี้มาใช่สัญญาใน น, นี้คืออย่าลืมนะบุญที่เกิดขึ้นจากการผลิตกำลังที่ถูกใครไปอา่านบุญนั้นมันย้อนกลับมันย้อนกลับอย่างแรงเหมืนเทือกที่อาตมาบรรยายไปคนเราไปฟังแต่ละคนบุญมันก็ะแทกกลับที่อาตมาอย่แรงมาก หรือใครไปช่วยเผยแผ่ช่วยจัดการอะไรย่งไหบุญก็แทะกลับคนนั้นเร็วมาอย่างบุญพันเนี่ยบุญก็กระแทกกลับเธอแรงเพราะอะไรนะมเธอขับรถขับราเนยเพียงแต่ลองเธอเปิดใจมากกว่านี้เน่ยบุญจะสะท้อนเธอไปได้เร็วเพราะเธอบริการไงใช่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพูดอัดะเลยเรื่อวเขาไม่ไม่พูดความจริงไม่ได้ย่อไม่ได้สั่งเสือชมเชยใช่ไหมเใช่ เพราะว่าบุญอันนี้ยมันแรงเขาเรียกว่าให้สถานที่ให้ความสะดวกการพยายามที่จะให้คนเลยรู้ตัวรู้ทุอย่างกให้คนรู้แล้วบุญนั้นมันจะแทกกับอธิมาใช้คาอย่างเงี้ยมันย้อนกลับแรงมากนะครับมันจะเป็นตระโตโคสาปจัยตืนโดยที่เราไม่ได้ปรารถนาสิ่งนั้นเลยไม่ต้องปรารถนาก็มาอยู่แล้วีแล้วอนโมทนาจริงๆโนอย่างที่ทำตรงนี้เป็นบุญที่แรง หลายคนไม่ค่อยเข้าใจบุญตรงนี้บางทีไม่รู้เลยซ้ําไปบุญมันมันส่งถึงเมื่อไหรเหมือนเหมือนมันเอ๊ะแต่ก่อนยมยม อ, อาจารย์คิดได้ที่ไหนก็เห็นวินาทีตป๊บแมันกระตุลแรงเลถ้าไม่ใช่บุญจากการที่เคยสร้างสมบุญก็ว่าค่ะแต่ก่อนมันไม่เป็นนะคะใช่ใช่ไหมคนะและอีกอย่างนึ่งคือแ ม, แม่แม่ในขณะเนี้ยคนบางคนอาจจะหยิบพุทธวัดตอนที่กําลังมงเป็นเบียนใช่ไหมตอนที่เบื่อหน่ายข้อบครัวอะไรเงี้ย บุญเหล่านี้เกิดในใจเขาใช่ที่บุญเหล่นในใานี้มันย้อนมันย้อนกระแทกเก่าถึงเราจะตายไปกี่พบกี่ชาติคนยังอ่านอยู่ใช่บุญก็ส่งอยู่นั่นแหละนถ้าหาไปวางจิตวางเรื่องรายใคนทําบาปคนทําบาปอยู่นคนซวยเลยเอะบรรดาเจ้ารัติทั้งหลายเนี่ยเึ่นไปสอนผิดเนี่ยสมมติอาตมาไปสอนผิดนะแล้วคนก็ไปทำตามผิดผิดไอ้บาปไอ้วิปธรรมะวิปริกกรส่งผลอาต ม, มาอยู่นั่นแหละอาตมากลัวมากเลยตรงนี้ ไม่ใช่แค่ น, นี้ด้วยนะคะก็ใช่นนไงมันก็ส่งมาสมงจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากแล้วเธอในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราจึงวิปริตกันเยอะแยะเพราไอ้บาปเหล่านี้แหละมันตามเล่น ง, งานพวกเราเป็นทั้งหลายทําให้มีประโยชน์ข้าวิบ่ปักกันอยู่เนี่ยบางครั้งก็เผลอไปทําผิดทําชั่วกันอยู่เนี่ยอย่าไปแปลกใจเพราะว่านี่เราเคยให้ธรรมะวิปริตในอดีตมาเยอะก็วิจารณของเราเองนั่นแหละนะในปัจจุบันคือทุกคนล้างแก้ตัวกันอยู่นี่แหละ โดยที่ไม่รู้ว่าทาอะไรมาก่อนนั่นแหละตรงเนี้มันเวลาคนมากระตุ้นความคิดมันทําให้คิดผิดไปเลยและเราเนี่ยมันท้นกี่ไหนแล้ววันใดวันหนึ่งไม่รู้อ่ะก้าบาปนั้นตาไม่ผลเนี่ยมากระตุ้นทําให้เราตายเป็นวิชาที่กีอย่างแรงไม่เข้าวัดเข้าวาวเลยก็ได้นร่งฆ่ังไงเปลี่ยนไปได้หรือเปล่าทำไมจะไม่ได้บางคนเนี่นะจะเป็นผู้ชายอยู่ดีจะกลายเป็นผู้หญิงได้อุดูดูบาปมันส่งผลจริง เนั่นถึงบอกมันส่งผลได้ในบริวาการมันส่งได้เนี่ยเราแน่เป็นต้นอะไอยู่อยู่เนี่ยความเห็นถูกกันอยู่ดีดีนีพอบาปที่มันได้จังหวะขึ้นมาการทีิผิดพอถึงให้ไอ้ให้วิบากิอันนั้นมาให้ผลนะคะลองมีบางคนเนี่ยศึกษาแล้วเรียนมาอย่างดีพอเจอราบสกานะ้วไมครอบงาำไปเลยเหมั้ยเนี่ยมีนี้เป็นต้นเจอกันแล้วบอกเสิ่หน้ากลัวต้องทงระวัง เือเราสร้างความดีว่าเยอะๆนี่แหละเป็นกรอะมีตนเป็นเกาบมีตนเป็นที่พึ่งนะ่งอีกคืนี้แหละไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งนี่เป็นนี้นี่ก็จะมองเห็นใช่ไหมพอมองเห็นแล้วก็เริ่มเข้าใจนี่พอพอเข้าใจตรงนี้ก็จะก็จะเชื่อมโยงคําสอนของค์พระเจ้าได้ทีนี้ก็ไปดูอีกส่วนหนึ่ง วิ่งไปดูในส่วนัองคำว่าโลกาวิทูเนาะถ้าอยู่ดูสังสารวัตรให้ชัดกว่านี้ก็ไปดูในส่วนนู้นคือคือไปคําว่าตั้งแต่สัมมาสัมพุทโธแล้วเพราะคำว่าสัมมาสัมพุทธโธที่พระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเข้าใจไอ้ท่านท่านแทงตลอดนี่นะเป็นบทพุทธคุณนะเป็นบทพุทธคุณที่บอกว่าสัมมาสัมพุทธ์เนี่ย ที่บอกว่าสัมมาสามัญญาพุทธตาสัมมาสมพุทโธซึ่งแปลว่าชื่อว่าสัมมาสัมุทธาเพราะความที่เป็นพุทธตัสรู้โดยชอบเรด้วยพระองค์เองเท่า น, นั้นนะเนี่ยคำว่าสัพพะธรรมานังก็แปลทำทั้งปวงเนี่ยทำทั้งปวงเนี่ยก็แปลว่าพระเจ้าตัสรู้อะไรตัสรู้เยอะแยะทำสังขารวิการลักขณ์นิพพานมัญญะ สังขารวิการลักนันิพานบรรยายนั่นก็คือสังขารก็ได้แก่สังขตรธรรมธรรมที่เป็นไปในภูมิสามทั้งหมดอยู่ใช่ไตลอดถึงกินไปถึงโลภุตระที่เป็นไปในภูมิสี่ด้วยก็เป็นสังขารอยู่เช่นมรรคกิตผล ร, จ, รจิตเนี่ยอันนี้เป็นสังขารหมดเลยนะไม่รวมนิพพานใช่ไหมกางประจิตรูปประจิตอรูปประจิตโลกุตระจิตแม้เจตสิกก็กระสร สังขารในที่นั้นนะ่ะถ้ากินความไปก็คือว่ากิจแปดสิบการเจตสิกห้าสิบสองนิพพานรูปสิบแปดนี่จะเป็นสังขารกัน5วิการก็คือวิการรูปสามอันนั้นเป็นเป็นความเบาความอ่อนความควรของรูปรักขณะรูปสี่ก็คืออุปจายสันตติชรตานิจตตาอันนี้พุิยาต้องตัสรูดด้ได้ได้โด่นเด็นรู้เข้าใจแทงทุทะวง ว่าเห็นขนาดเกิดใช่ไหมขนาดสืบต่อขนาดแก่แม้ขนาดดับของนามของรูปเนี่ยเนาะเรองของรูปเนี่ยนะของรูปธรรมลัคนิพพานจะเป็นนิพพานของใครพระเจ้าตรัสรู้หมดเลยจะเป็นนิพพานหนึ่งนิพพานสองนิพพานสามหรือนิพพานแยกออกเป็นหลายหายร้อยหลายโกรหลา ย, ลา ย, ลายพันของใครทั้งหมดตรัสรู้หมดเลยบัญญัติทั้งหมด อันต่างด้วยอัตถะบัญญัติและสัทธะบัญญัติจะเป็นบัญญัติอะไรเยอะแยะที่เปลยน ย, ย่อยไปจากสองบัญญัตินี้ไม่มีเลยที่พระเจ้าจไม่รู้นั้นอนาวรณ า, ายนสัพพยุตยานินเตรียโรป ร, ปร ย, ยานอาสาตนะาบของ พ, พระเจ้าเ้สพพาิพุทธยานสิเวนิขะรรสิทธิแปโลกลนี่ยนะนี่ เ, เรียกว่าตัสรูยิทีนี้ เวลาตัดสู้ของพระเจ้าเนี่ยเนี่ยถ้ามองไปในส่วนของภายในในส่วนของภายในพระเจ้าตัดสู้ได้โดยตัวเองนี่ตัดสู้อะไรเช่นตัดสู้ขันธาอตอายตนะสัจจ์อินทรีย์ศติจักหมดเลยถ้าในส่วนของอายตในส่วนของเกี่ยวกีบเรื่องของอจักขุใช่ไหมอจักขุมันตัสดสู้โดยความเป็นทุกข์เอามาวิจัยเลยรูมม้หมด แล้วก็เขียดที่ทําให้เกิดจักรคูเป็นสมุทรไทยจักรคูสมุทรไทยจักรคูนิโรดเป็นเนืความไม่เป็นไปของจักรคูและตัณหาที่เป็นปัจจัยจักรคเกิดอันนี้นเป็นนิโรธาสัจจ์ปฏิปทาจึงนิโรดก็เป็นมรโสตาคานะชิวหากายยะแล้วก็มันโนก็เอามาวิจัยลงทุกสมุทรไทยนิโรดมรโตกันหมดรูปารมสัตตารลมกันดารลมล่าด า, ารลมบัวาปลณ ม, ามและธรรมะลมก็มาวิจัยลงเป็นทุกสมุทรไทยนิโรดมรโตกันเลย แล้วก็เกี่ยวในเรื่องของอยู่ไหมไอยตนาภายในและไอยตนาภายนอกวิญญาณหกจากภูวิญญาณตัวตวิญญาณขานแวิญญาณจิ๋ววิญญาณกายยวิญญาณมโนวิญญาณแต่ละอย่างนี้จากภูวิญญาณเป็นทุกขประสัทเหตุที่เกิดจากภูวิญญาณเป็นสมุทัยสัจจคความไม่เป็นไปของเหตุของจากูวิญญาณและตัวจากภูวิญญาณเป็นนิโรธสัจจปฏิปทาถึงนิโรธาเป็นมรรคอยูไมจากภูวิญญาณไปจนถึงมโนวิญญาณก็มาวิจัยจารย์ลงมริยสักหมดทัศน์ จักขูสัมปัสสะโสตสัมัสสะานาสัมปัสสจิวาสัมปัสสกายสัมปัสสะมโนสัมปัสสะภาษาเจสิกจะอยู่ในทวารไหนเอามาวิจัยลงเป็นทุกสมุทัยนิโรธมากมือเแล้วภเวทนา6จักขูสัมปัสสชาวเวทนาโสตคานาจิวหสกายะนครมโนสัมปัสสชาเวทนาเวทนาทุกเวทนามาวิจัยเป็นทุกเขต็ดให้เกิดเวทนาเป็นสมุทัยความไม่เป็นไปของเคล็ดของให้เกิดเวทนาและตัวเวทนาเป็นนิโรธปฏิปทาถึงนิโรธเป็นมรติ สัญญาหกรูปสัญญาสัทธาสัญญาคาทสัญญาชิวหากายะสัญญาโนสัญญานี่นะจนธรรมะสัญญานี่ยนะเอาวิจัยรลงมาเรียนสต์เจตนาหเนี่เจตนาหกรูปปัสเจตนาสัทธาสเจตนาไล่ไปเรือยจนึงําให้สังเกตเนี่ตัณหาหรูปตัณหาสัทธาตัณหาันทะตัณหาิวในรัสสโภทภะแล้วก็ธรรมะตัาตัวตัณหาเปทุกัวสัตว์ได้ตัณหาที่เป็นไปในปัจจุบันพ ตัวตัวตัณหาที่มันลงผลขวายอะไๆต่าเหล่านี้นส่วนเหตุที่ทําให้ตัณหาเกิดในปัจจุบันนี้พวที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ตัณหาในปัจจุบันนี้เป็นสมุทัยสัจจ์ความไม่เป็นไปของเหตุของตัณหาและตัวตัณหาเป็นวิโรธาสัจจ์ปฏิปทาถึงนี้โลธเป็นม้าถึงไหมที่ปัญหาก็เป็นเป็นตึงทําขานก็เป็นทุกขสัจจ์เหตุที่เกตัณหาก็เป็นสมุทัยเป็นต้นอันนี้ถามมีหลักฐานไหมมีในไหนในสัมมาทิฏฐิสูตร ตัณหาจะตันหาตัณหาจากตันหาสมุทัยัญจัตเป็นต้นอยู่ในมันชฌิมานิการบุรีปัญนาหนไหมนิสุทธิที่เก้าีกเป็นต้นหนึ่งวิตกหกตาเห็นไหรูปปั้วิโตกสัทธาวิตกขันธาวิโตกเป็นต้นหนึ่งวิจารหนูปั้รูปปั้วิจารณสัทธวิจารณเป็นต้นลักษณะันนี้ก็เป็นเอามาวิจัยลง ทุกสมุทยัยที่รอดมากหนึแล้วก็ธาตุหกมีรู ป, ประธาตุใช่ไหรู ป, ประธาตุสัตธาตาุธาตธาตุธาตุรัศธาตุ<ะ>แล้วก็ธรรมธาตุธาตุกนี้เารมามาวิจัยเป็นทุกสมุทยัยนี่รอดมากขันห้าใี่ีหรูปะขันเวยนาลาสัญญาสังขารวิณอ์อันนุสติสิทธิ์มีพู้ทานอุสติเป็นต้นก็วิจัยเป็นทุกสมุทัยที่รอดมาก ตัวสติที่ไประลึกถึงพุทธคุณเป็นทุกษัตระสับไหมเห็น er ไหมเนี่ยเอาสิแล้วตัวตัณหาที่เป็นเหตุให้สติและธรรมะที่เกิดวอกนั้สติเกิดก็เป็นสมุทัยสัจจะความไม่เป็นไปของพุทธคุณทั้งหลายวิญญาณของพระเจ้าทั้งหลายเป็นตก็เป็นนิโรธปฏิปทาที่นิโรธเป็นมาอุดทุกมาตะการสุภาษวินีรักาสุภาษ วิปุพการสุภาวิจิตกาศสุภาวิขาจิตรกาศสุภาอสุภาสิบทั้งหลายนนเป็นทุกขสมุทัยนิโรธมากหมดเลยเอานไปไปไหนักไปเป็น น, นักศิลสิบปวีกาศน้ำนาโปกศินนาเตโชวาโยเป็นอวิจัยเป็นทุกขสมุทัยนิโรธมากมเลยเอาว่าบันอยก่ไมหมอวิจัยเฉยเลยเพราะปัทมีกาศนั่นคือดวงังกรนั่นแหละถ้ามาวิจัยเป็นทุกขสมุมมทัยนิโรธทาไมต้องวิจัยทําไมวิจัยจะเป็นที่ตั้งของ น, น ศาจะเกิดความยินดีก็จะติดอยู่ในกระสินติดอยู่ในชานติดอยู่ในสมาบัติแล้วติดอยู่ในปฏิภาคชนิตก็ไม่ต่างอะไรกันแล้วที่ภายนอกที่ออกจากวัฏจักไม่ได้เพราะไม่เอากสินไม่เอาสเ อ, า ส, อาสุภะ ห, หมอวิจัย <S S S มผมคนเล็บฟันหนังเงยเอ็กรดูเกศารูมานะคะเฮนะเกศาเป็นตุกษะเกศารสมุทยะเป็นนิโรธาสัจจะเกศานิโรธะเป็นนิโรธาสัจจะเกศานิโระคาวมีปริวทาเป็น มักกสัตวเอาสิตัวผมเนี่ยเป็นทุกัตร์ตัณหาที่เป็นปัจจัยเกิดผมเป็นสโธเดียสัจจ์ความไม่เป็นไปของตัณหาแลวผมในสังสารวัตรติดต่อไปเป็นนิโรธาสัจจ์ตติปัต์ทายถึนิโรธเป็นมรู้ว่ามีจุดไหนที่สัมมาสัมพุทโธไม่สรู้ลวงนี่มันอยู่ในบทโลกาพิเธรใช่ไมสัมมาสัมพุทโธตัดสรุได้ด้วยตนเองที่ตัดสรุโลกนั่นเองตัดสุโลกขันธโลกนั่นเอง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกะถูกเยี่ยนในกะโดดมาหัวใจตายไปต้นอะไเนี้ยมาวิจัยบนอริยสัตว์บนเลยเมือ่อนี่ไงหลักปฏิบัติที่นี้เราไม่ได้ปฏิบัติตามท่านถ้าเราปฏิบัติตามท่านตามนี้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อจะไม่ได้เป็นที่ตั้งของตนาาณหาสมาธิี่ปไปนานแล้วทําไมลราตื่นขึ้นมาผมสวยขนสวยไหมผมขนเล็บก็สวยฟันก็นสวยผิวก็สวย เพราะเราไม่ได้เอาผมขนเล็บฟันหนังมาวิจัยโดควาเป็นทุกตัณหาที่เป็นปัจัยผมขนเล็บปันหนังเกิดที่เป็นสมุทยัยความไม่เป็นไปของตัณหาและความไม่เป็นไปของผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นเป็นนิโรธปฏิปที่ปลายถึงนิโรธเป็นมะเราไม่ได้เอามาวิจัยถ้ามาวิจัยลงอริยาศาสเสียแล้วมันจะเป็นทีตา้งของตัณหามันะ่ที่ถี่ได้อย่างไงแล้วสัตว์โลกจะไปโกรธกันไหมถ้าวิจัยอย่างนี้แล้ว ก็มีแต่ความกรุณาตดอกันว่าสัตว์ทั้งหลายเป็ผู้เป็นที่เป็นที่ตั้งของชาติทุกชราทุกมรณะทุกถูกชรลาห้ามหันมรณะแวดลอ้อมใช่ไหมพญาที่แวดลอ้อมเบียดเบียนก็ไปสู่ใกล้มรณะ ม, ะ, มะมันจะตายกันอยู่แล้วใช่ไ้าสัตว์มันจะตายกันอยู่แล้วอย่าไปโมโหอะไรกันแล้ว ม่เหมือนไก่นี่ไก่มัวหาไปเยอะนี่หมูไงไก่ก็ดีหมูก็ดีช้างมาโวควายก็ดีอยู่ในครอบอยู่ในนั้นมันกัด ก, กันทุ่งกันทำลายกันทั้งทั้งที่ก็ไปฆ่าแต่มนุษย์เนี่ยจะต้องมีปัญญามากกว่าจะต้องเห็นสังสารวะตรด้วความเป็นไทยด้วยความมีของหน้าครัวใช่ไหมถ้าเราเห็นอย่างเนี้ยมันจะตุ้งไหมจะดุง้งไม่มัวแล้วว่าไปอีก จะไ่ดูคนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นปฏิบัติผิดคนนี้ปฏิบัติถูกมันไม่มีแล้วมีแต่ความการุณามีแต่ความการุณาจริงๆเลยนะแล้วศารนาพุทใช่ไหมพระเจ้าชี้บอกว่าไงไหมทานาบาลามีไหมสัมปันโนทานาอุปป า, า, า, า, ม, ามิทานาปาร ม, ปมารจ า, าบรบาลมีเมตตากรุณาบุรีดาวปิทังกรุณาพระเจ้านีไหม มีกรุณาปัญญากระตุ้นเืินบารมีท่านผูกอะไรไว้ในตนผูกสัตว์ไว้ในตนแล้วก็ผูกบารมีไว้ในตนเราเนี่ยไม่ค่อยเราผูกสัตว์ไว้ในตนก็จริงแต่เราผูกบุคคลอื่นด้วยตัำหามานาันที่ทีไม่ได้ผูกด้วยกรุณาปัญญาถ้าเราผูกด้วยกรุณาและปัญญานี่นะ เราจะกรุณาเขาเราจะหยุดโทษของสังสารวัฏที่เป็นไปในกระแสขันของเขาอย่างเนี้เปลี่ยนกันต้นนี่เราไปผูกสาดเก็นด้วยตัณหาได้มานะดูที่ขีดไว้ในตรงแล้วก็ไปผูกบา ร, รมีด้วยตัณหามานะที่ขีดไว้จบเลยให้ทานเราด้วยตัณหามานะที่ขีดที่เป็นคนอื่นก็ได้ตัณหามานะทีผิดพลาดสร้างบา ร, รมีกันผิด ไ ม, ไม่เดินไม่เดินตามรอยบาทของพ่ อ, อใช่ไหมถ้าเราเดินตามรอยบาศก็าาศาสดาของพ่อจริงๆเราจะมาวิจัยตามพระเจ้ากระฉั่นอการสามสองเนี่ยพอเราเขาวิจัยทั้งหมดแล้วมีส่วนไหนจะเป็นปนิทานล้มธนาบ้างจริงๆไม่มีมมชีว่ตมันเบาไปแล้วเขนะาวิจัยได้จริงเบาไปแลนะ้วนีมีควนวิจัยอย่างนี้ไม่ได้ก็เนะนี่ยที่อาตมานำเสนออยู่นีก็ต้องการให้มาวิจัย เขาต้องวิจัยกันกจริงๆถ้าไม่วิจัยแล้วตนหามเอาไปกินหมดแหละแต่ถ้าอารมณ์ใดที่ตัญญาก็ไปวิจัยแล้วมันเหมือนว่าเป็นที่ของพระราชาแล้วยาจบาก็ไม่กระพิยูใช่ไหมแต่ถ้าหากโมหะไปวิจัย เ, เสร็จแล้วก็เอาพวกพอมไปอยู่คือตะนัณนั้นที่ที่ ฉะนั้นเพราะเราเคยเอาตัณหามาณิฏฐิเล่นไปในสังสารวัฏในขันธ์ของเราท่านทั้งหลายอย่างยาวนานแล้วเพรเราไม่เห็นโทษของสังสารวัฏไม่เห็นโทษของการหมุนไปของขันธะพยาธิตนะที่เป็นไปอย่างไม่ขาดสายเพราะขาดการเข้าใจลี้ยมวสัตว์นั้นเป็นผู้มืดบอดจักขูกรณียานะกรณนีไม่เกิดปัญญาไม่กิด ปัญญาให้เกิดจริงๆนะเพราะปัญญาเกิดเบีเสร็จจะเข้าใจว่าเห็นอริยสัจในที่ทุกสถานไนหะมใช่ไห ม, มเออถามว่าสัตว์โลกที่บอกว่ามืดเน่ยเพราะไม่เห็นอริยสัจเข้าใจหรือยังไม่เห็นขันของตงนเองโดยการประชุมเป็นอริยสัจ ย, ยก็พอเองแล้วมไม่ได้วิจัยเลยชีวิตที่ผ่านมาแล้วไม่เคยวิจัยขันภายนอกก็อีกจบเลย ไม่ได้มาวิจัยกเลยก็นี่ไงนี่ชีวิตตรงนี้มันต้องวิจยัยเอามาวิจัยแล้วจะเห็นโทษร้องทางสารวัตจริงจทีนี้มันไม่ใช่วิจัยแค่นั้นเ น, ะนาะอาณาจักรสิบสองมีจกักขายาณาจัต้องมาวิจัยหมดด้วยความเป็นทุกขสมุทัยที่รุนแรงแต่ละอย่างต้องมาวิจัยเพื่อจะได้ไม่เป็นที่ตั้งของศาสนาพันธที่ฐีธาตุสิบแปดจักรคู่ธาตุรูปธาตุจักรพญานาธาเป็นต้นต้องมาวิจัย อินซียีิบสองีจับถึงซีเรต้นต้องมาวิจัยด้วยความมีทุกขสมุทรไทยร่วต้นมัดพบสามใช่ไหมการมาพบรูปประพบอรูปประพบเอาสิเียเข้าไปในภูมิแล้วใช่ไหมการมาภูมิรูประภูมิรูปประภูมิรูปรูปอไปทั้งหลายทั้งนะปกหเห็นไหม พอมองตรงนี้เปิดเสร็จแล้วเห็นเลยว่ากามาภูมิรูปภูมิมารูปภูมิมกามาภูมิเป็นสจัจจะอะกามาภูมิโดยองค์ธรรมคืออะไรนะก็คือขันธ์ห้าที่เป็นไปในการมาภูมิสิบเอ็ดเมื่อขันธ์ห้าที่เป็นไปในการมภูมิเบียดพร้อมทั้งพื้นทั้งทั้ ง, ท, งทั้งสังขารลโลกใช่ไหม ทั้งสัตว์ตะโลกทั้งโอกาสโลกเอาสิโลกเหล่านี้ก็คือทุกข์สัแล้วอะไรลเป็นปัจจัยทำให้โลกเหล่านี้เกิดตั้หาของสัตว์เลยอเป็นสมุทัยสัจจะถ้าตั้หาไม่เกิดเป็นไปถ้าโลกเหล่านี้ไม่เกิดเป็นนิโรธาสัจจะปฏินนปทาอย่างนี้ลดเป็นแล้วเราเคยเอาดินหญ้าต้นไม้มาวิจัยเป็นอริยศาสไหม ท้าไม่วิจัยแล้วก็เป็นรรนิจตาของตระหนักสิเพราตระหนัมันไม่ได้โ อ, อกาสในช่องนั่งมีที่ทำงานเป็นเครือโต๊ะมาวิจัยเป็นทุกอม่างแล้วเพราะอะไรเราถึงมานั่งโต๊ะตรงเนี้เพราะตระหนักในอดีตเราเคยเข้าใจไหมเข้าใจใช่ไห ม, อมพอถ้าไม่มีตระหนัในอดีตไม่บวกกับกรมในอดีตเราจะไม่มานั่งโต๊ะตรงนี้หรอกนั่นเป็นสังขายะสัจจ์โต๊ะอดีขันท่องเราที่มานั่งอดีเป็นทุกขสัจจ์ถ้าไม่มีสิ่งเหล่า น, นี้ทั้งคู่เป็นไปเป็นนิโรธสัจจ์ อริยมรรที่เป็นปัจจัยถึงนิโรธเป็นมรรคสรรใช่ไหมรูปวัคคบขันที่เป็นไปในรูปประค์เป็นตัวพบเป็นทุกขสรรตัณหาที่เป็นปัจจัยพบเหล่านั้นเกิดที่ทําให้ขันเหล่านั้นเกิดเป็นสมุทัยสัจจะถ้าความไม่เป็นไปของขันความไม่เป็นไปของตัณหาเป็นนิโรธสัจจะปฏิปทาถึงนิโรธเป็นมรรคอารูปวัคคบ ทุกข์กระสับถึงไหตัณหาที่เป็นปัจัยเข้าถึงอรูปภพเป็นสมุทัยสัจจ์ความไม้เป็นไปของตัณหาและอรูปภพนั้นเป็นนิโรจน์นสัจจ์ถึงไหมปฏิปทาถึงนิโรจก็เป็นมะถามว่อาอถึงไหมถ้าถึงจะเข้าใจาอ๋อพอถึงเลยสัญญาภพภพที่มีสัญญาภพที่มีขันห้าสัญญาภพ พะที่มีขั้นหนึ่งคือคือเอกาวนี่แหละเนวาสัญญาณาสัญญาก็คือนุนอาวุธรัรูปภูมิที่สุดท้ายเป็นทุกขษัติย์หมดเลยตัณหาที่เป็นปัจจัยนั้นเป็นสมุทัยสัจจ ม, มเลยถ้าความไม่เป็นไปของตัณหาแล้วพบเลยนั้นเป็นนิโรธสัจจมุเลยต้ที่ป้ายจริงนิโรธเป็นมรต์อปฐมว ช, ชมัตัวปฐมวิชก็เป็นทุกขษัต ร, ริย์ทุทตนตที่วจเนเจริญวิชัหมรูปวิชนทั้งหลาย เป็นทุกขสัจต์เลยตัณหาที่เป็นปัจจัยให้ปัตจณาหรือทำให้ได้นั้นเป็นสมุทัยสัจจ์ถ้าไม่มีตัณหาไม่มีชาเหล่านั้นเป็นนิโรจน์ปฏิปทาถึงนิโรจเป็นมรรคกสิทธิเมตตาก็เป็นทุกขสัจจ์กรุณาก็เป็นทุกขสัจจ์มุติตาก็เป็นทุกขสัจจ์อุเบกขาก็เป็นทุกขสัจจ์ตัณหาที่ทําให้เกิดขันเหล่านี้ให้เกิดกรุณามุตเมตตากรุ่นามุตตากลุ่าเป็นสมุทัยสัจจ์ปฏิปทา ให้ความไม่เป็นไปของตัณหาแนละ้วก็ฌานเหล่านั้นก็เป็นนิโรธนะสัจจะปฐมวิราชิงนิโรธก็เป็นมากเองนะลองคิดปฏิจจสมบาทิอวิชาเป็นทุกไหมทุกสัตวนะ์ไหอย่างนี้เป็นต้นเหตุที่เกิดในวิชาก็เป็นสมุทยัยความไม่เป็นไปของวิชาและเหตุของวิชาเป็นนิโรธปฐมวิราชินี้รธเป็นมากมีอะไรบ้างที่จะไม่ลงอริยสัจเนี่ยเข้าใจคําว่าสัมมา ส, มาสัมพุทโธยัง เข้าใจคำว่าสัมมา ส, มาสัมพุโทโธนี่แบบย่อ <c oughs> ๆเร็วแต่ต้องมานั่งวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องใครวิจัยได้ในชีวิตจริงบรรลุได้ <c oughs> นี่พระเจ้าสอนกรรมฐานพระเจ้าตรัสรู้แบบนี้แล้วก็ให้บุคคลอื่นต้องตรัสรู้ตามแบบนี้ถ้าอย่างนั้นจะไม่เห็นคําว่าสัมมา ส, มาสัมพุโทโธ การปฏิบ um, e, ัติธรรมเลยห่างจากพระเจ้ายิ่งห่างย่หายุ่งแล้วต้องเห็นคุณองท่านจริงๆว่าก็ะองค์มีคุณแบบนี้พวกเห็นไหมเห็นสังสารละวาดไหมตอนนี้ชอบมากนี่คือสังสารละวาดมีไหมสังสารละวาดต้องเป็นอย่างนี้จนถึงนู่นน่ยชรามันนะเป็นทุกข์เพราะเป็นเหตุ ให้เกิดสอกกับไปที้เดียว่าลูกกระตมนัสื่อมยากใช่ไหมตัณหาตัณหาหมายถึงชาติเหตุของชราบารณะเนี่ยเป็นสมุทัยความไม่เป็นไปของชาติและชราบารณะทั้งสองทั้งสามนั่นแหละเป็นนิสรณะนั้นเป็นนิโรธปฏิปทาให้ตัดเป็นเหตุให้รู้นิโรธนันเป็นมรรคสัจจบเลยเนี่ยดวงอริยสัต์อย่างเงี้ยมีสัมมาสัมพุทโธแล้วสวดกันนะเคยลึกขนาดนี้ไหม สัมมาสัมพุโทโธตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะจบแค่นั้นแค่นั้นแค่นั้นจริงจริงนะจริงๆก็ต้องมาวิจัยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุโทโธในชัดนี่เป็นีส่วนวิชาจรณาสัพปโนก็นั่นแหละเอง ว, วิปัสนายาณก็ญาณในวิปัสนาปัญญาที่พิจรารณาเห็นปัจจิตารลักษณะแล้วก็ แล้วก็สาริมรณญลักษณะคือลักษณะที่เป็นทั้งเฉพาะตัวและลักษณะที่เป็นสามัญคือที่จาทุกครั้งนัานตาทั้งหมดไม่เป็นวิปัสสนาญาตัวมนโนวิที่ก็เป็นวิ ช, ชาก็เป็นปัญญาก็เป็ น, า น, านวิปัสนาการแสดงฤทธิ์เนรมิตกายถอดจากกายชักเหมือนเอาไอชักไสออกจากย่าป้องมิชักดาออกจากฝากเป็นต้นเหล่านี้เหมือนเนรวิทย์พราก อ, อ, กอ่อนองค์นึงอันนั้นเป็นปัญญาเป็นวิชาครับ ท่านต้องเห็นด้วยความเป็นนามรูป ก, การทําอย่างนั้นถึงจะไม่เป็นทีต่ตามความรุ่มหลงเป็นตของปัญหามนตริจิตทั้งคนที่เขาสแสดงฤทธิ์ระดับในสมัยกลางพนทการเนีาเข้าขใจด้วยความเป็นนามรูปเปชัดให้เหมือนคนปัจุบันที่เห็นโด้วยศัพท์บุคคลยิ่งสแสดงอิจลิทมากก็ยิ่งโง่ยิ่งหลงเนี่ยนะเข้าใจใช่ไหมทัม้งเขาจะไปหลงว่ามีฤทธิ์มีอะไรมีเดาวใจดักใจมีอะไรพิเศษในจิตเนี่ยแค่มีอะไรนอกจากนามรูปใช่ นี่ไปเห็นเป็นสัตว์บุคคลเยอะไปหมดไงก็ติดแน่นอยู่ในสัตว์บุคคลคิดไปไปมาตัเองเป็นผู้วิเศษน เ, นเนี่ยเป็นไงพระเจ้าถึงใช้คำวิชาวิช า, วชาก็เริ่มมันแรกเลยทําไมถึงเริ่มขคำวิปัสสนาก่อนรู้ไหม ย, ยามยากเลยเขาใสแม้ไปดูในที ข, นขันธ์นีายสีระขันตวัตเป็นต้นวิชาของท่านแปเนี่ยจะต้องใส่คำวิปัสสนากํากับท่านอัตถกาถาจะรีบขยายไปเลย เียที่จะต้องเอาวิปัสสนาญาณขึ้นก่อนเพราะเวลาไปทําอิทธิฤทธิทั้งหลายจะได้ไม่ลุ่มหลงคนที่ไปได้วิชาอิทธิวิธีทั้งหลายแต่ไม่มีวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็ไปแสดงอิทธิวิธีโดยความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนีเข้าเนเข้าเห็นผิดทิง้งนามแน่นกุ้งถอนยากเพราะไปสําคัญว่าตนเองมีดีแค่ไหนถ้าเห็นด้วยความเป็นนามรูปเสร็จแล้วจบเลยนี่เป็นอย่างนี้ ทีนีประการต่อมาก็อีกที่วิธีแสดงฤทธิ์ก็เหมือนกันใช่ไหมที่ประสงค์่างตัวเองจะไม่มีความสําคัญว่าเราเป็นผู้ได้ยินเป็นผู้พิเศษเลยเพราะอะไรกันมั้งเพราะว่ามีปัญญาเห็นในความไม่เที่ยงเป็นรู้เป็นผิดเป็นอนัตตาจะแล้วเจโตปริยานกำหนดรู้จิตของบุคคลอื่นปุเพนิวาสารุติยาน้เกตุดีคนที่จะรเลือกปุเพนิวาสารุติยานแม่ในพพูดองค์เองเพระองค์ต้องรู้ปฏิจจังมือ เห็นด้วยความเป็นขันธิญาณธรรมธาเนัน้นั้นที่ไปน่ะแล้วก็เข้าใจสรรบุคคลด้วยเข้าใจขนัธนธิญาณธรรมธาที่เป็นไปในอดีตด้วยอยูชัดเลยแม้แต่จุติเห้นจุดูปปาจายานเหมือนกันที่มาจากภูยานตาทิปเป็นต้นแบบเหมือนกันแล้วก็อาสวะขยะยานเนี่ยอาสวะให้สิ้นนี่ไหมนี่ก็วิชาแปดคือวิปัสนาแปดนั่นเอต้องใส่คําว่าวิปัสนาคนนุณถึงอยชัด